2. ส, อ, สอุปาทิเสสสูตรว่าด้วยสอุปาทิเศษบุคคล 12. ส, ส, สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศธฐีเขตกรุงสาวัตถีคลั้นเวลาเช้าท่านพระสารีบุรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบินทบาท ต่อมาท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าการเที่ยวไปบินทบาตในกรุงสาวัตถียังเช้านักทางที่ดีเราควรเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรธีปริพาชก ค, ครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรธีปริพาชกได้สนทนาปราศัยกับอัญญาเดรธีปริพาชกเหล่านั้นพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหนะ้าที่สมควรสมัยนั้นเองอัญญาเดรธิปริพาชคเหล่านั้นกําลังนั่งประชุมสนทนากันดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสอุปาธิเศกเมื่อตายไปล้วนไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกําเนิดสัตว์ดดรรชานไม่พ้นจากเปรตวิสัย ไม่พ้นจากอบายทุคติและวินิบาตครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านพาสิทธิของอัญญาเดรถีปริภาชคกล่าวนั้นลูกจากอัสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจักรู้ชัดเนื้อความแห่งพาสิทธนินี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระสารีบุตรเที่ยวไปบินธบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบินบาต หลังจากชันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งณนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานวรโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบินทบาต ได้มีความคิดดังนี้ว่าการเที่ยวไปบินธบาตในกรุงสาวัตถียางเช้านักทางที่ดีเราควรเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรธีปริพาชก ค, ครั้นแล้วข้าพระองค์จึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรธีปริพาชกได้สนทนาปราศัยกับอัญญาเดรธีเหล่านั้นพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนัที่สมควรสมัยนั้นอัญญาตเดรฐีปริพาชคเหล่านั้นกำลังนั่งประชุมกันสนทนากันดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสอุปาธิเศษเมื่อตายไปล้วนไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกําเนิดสัตว์เดรรชานไม่พ้นจากเปรตตวิสัย ไม่พ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตข้าพระองค์ไม่ยินดีไม่คัดค้านพาสิทธ์อัญญาเดรธีปริพาชคเหล่านั้นลุกจากอาสนะจากมาด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งพาสิทธ์นี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาริบุตรอัญญาเดรธีปริพาชคผู้เคลา ไม่เฉียบแหลมเป็นพวกไหนและพวกไหนรู้จักบุคคลผู้เป็นสัพปาทิเศตว่าเป็นสอุปาทิเศตหรือรู้จักบุคคลผู้เป็นอนุปาะทิเศตว่าเป็นอนุปาตทิเศตสารีบุตรบุคคลเก้าจำพวกนี้เป็นสอุปาทิเศตเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากเปรตวิสัยได้ พ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตได้บุคคลเก้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์มีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำหประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอันตราปรินิพายี นี้เป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่งผู้เป็นสอุปาทิเศตเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกาำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากเปรตวิสัยได้พ้นจากอบายทุคติและวินิบาตได้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์ มีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอุปหัดเปริญนิพพายี 3. บุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นอสังขานรนิพพายี 4. บุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นสังขารินิพพายีหบุคคลบางคนในโลกนี้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 มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวจะทาที่สุดแห่งทุกได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่หกผู้เป็นสัพ ป, ปาทิเศตเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากอบายทุกติและวินิบาตได้เจ็ดบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณ มีปกติทำปัญญาพอประมาณเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเขาจึงเป็นเอกซีพีเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่เจตผู้เป็นสอุปาทิเศษเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากอบายทุขติและวินิบาตได้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 ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ดครั้งก็จะทำที่สุดแห่งทุก์ได้นี้เป็นบุคคลจำพวกที่9ผู้เป็นสอุปาทิเศษเมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตได้สารีบุตรพวกอัญญาเดรถีปริพาชกผู้เคลาไม่เฉียบแหลม เป็นพวกไหนและพวกไหนจักรู้จักบุคคลผู้เป็นสอุปาทิเศตว่าเป็นสอุปาทิเศตหรือจักรู้จักบุคคลผู้เป็นอนุปาทิเศตว่าเป็นอนุปาทิเศตสาริบุตรบุคคลเก้าจำพวกนี้แลเป็นสอุปาทิเศตเมื่อตายไปก็พ้นจากนารกได้พ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้พ้นจากเปรตตวิสัยได้ พ้นจากอบายทุกคติและวินิบาตได้สารบุตรธรรมบรัรยายนี้ยังไม่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกากนข้อนั้นเพราะเหตุยัยเพราะประสงค์ว่าชนทั้งหลายฟังธรรมบัรยายนี้แล้วอย่านำมาซึ่งความประมาทอีกอย่างหนึ่งเรากล่าวธรรมบัรยายนี้โดยมุ่งถึงปัญหา สาอปูปาที่เสสสูตรที่สองจบ